เป็นอาการทั้งนั้นคือเป็นร่องรอยที่จะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจสัมผัส ร, รับรู้กันทุกขั้นแห่งธรรมภายในใจใจเป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกขั้นทุกผิตั้งแต่ขั้นต่ำ จนกระทั่งสูงสุดวิมุตติพระนิพพานมีใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งมีอันเดียวคือใจนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมนี่คือวิธีการของท่านผู้รู้ท่านผู้ชรา ได้ทรงดำเนินมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้ า, าของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสนาธรรมที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่เวลานี้ท่านปฏิบัติตามอาการแห่งธรรมที่แสดงให้โลกทั้งหลายฟังนี่แหละทั้งฝ่ายแ ล, และฝ่ายบำเพ็ญ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 เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือความจริงของธรรมแท้เป็นอย่างนี้ท่านทึงเรียกว่ า, าศาสนาธรรมเช่นท่านจดจารึกไว้ตามคำภีใบาลานนั่นแหละคือแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้ บอกวิธีรักบอกวิธีบำเพ็ญบอกทั้งสิ่งที่เป็นโทษบอกทั้งสิ่งที่เป็นขุมไว้อย่างแจ่มแจ้ ง, ง, งชัดเจนแล้วก็ให้ดำเนินตามวิธีการที่ทรงแสดงไว้นั้นหรือตามตำลับตาราที่ท่านจดจารกไว้นั้นเหมือน ก, นกันกับเราตามรอย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 โดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยที่เราตามเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเพราะโคกับเท้าแห่งโคที่เหยียบย่ำไปนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการดำเนินตามศาสนาธรรมที่จงสั่งสอนไว้แล้ว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 ก็ย่อมจะเข้าถึงทำเป็นขั้นๆเข้าไปเพราะผลแห่งทำเป็นหลายขั้นนับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งหรือขั้นหนึ่งจะนอกเหนือไปจากวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วไม่ได้เป็นสมถะวิธี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 เพราะฉะนั้นาศาสนธรรมจริงมีมากมายกว้างขวางตามจดิษฐนิสัยของสัตว์โลกซึ่งไม่เหมือนกันแม้จะมีความดีความชั่วมีกิเลสชั่นหาสะวะอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันก็ตามแต่มีข้อหนักเบาต่างกันและมีแง่ต่างต่างกันตามจดิษนิสัยด้วยเหตุนี้อุบายแห่งธรรมที่จะทังสอน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 ได้รับการทดสอบทุกแง่ทุกหมุมทั้งยุกทั้งยาทั้งวิชาแพทย์ได้เห็นผลเป็นที่พอใจแล้วก็ น, นำมารักษาโรคของคนและสัตว์แล้วโรคของคนไข้นั้นนะมีประเภทต่างๆกันหมอจะมีความรู้เพียงแงใดแงหนึ่งเท่านั้นก็ไม่สามารถ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 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและยังกว้างขวางมากมายจนหาประมาณไม่ได้เพราะคำว่าพุทธวิสัยไม่ใช่วิสัยคนธรรมดาสามัญของเดาและไม่ใช่วิสัยของพระหันผู้ส ah ิ้นเปลืเป็นจิตที่บริกบึ้งเพียงเท่านั้นยังเป็นวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้า อันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใครๆในโลกยิ่งกว่าพระหันองค์ใดๆอีกด้วยจึงสมนามว่าเป็นศาสดาสอนโลกผู้มาสัตว์โลกที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธทเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรเพียงแต่มนุษย์ก็จำนวนมากพอแล้ว ยังต้องมีเทวบุตรเทวดาอินพรหมนับจำนวนไม่ได้ดังที่เห็นในตำราว่วาพวกเทพทั้งหลายคำว่าเทพนั้นเป็นคำรวมๆเทวดาอินพรหมเรียกว่าเทพทั้งนั้นบรรลุมรคผลจจำนวนเป็นแสนแสนล้านล้านัาง ถ้ามีจำนวนน้อยจะไปสำเร็จอะไรจะถึงจานวนขนาดนั้นเราต้องมีจำนวนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่ละขั้งละข่าวการประทานพระโอวาทโ ด, ดยความเหลียวฉลาดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกตามขั้นตามภูมิตามอุเบสไสของตนนั้นจึงต้อง เป็นอุบายเป็นความเฉลียวฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้งของพระพุทธเจา้าที่จะประทานแก่สัตว์โลกแต่ละขั้นระภูมิให้ได้รับผลประโยชน์เป็นที่พึงพอใจทั่วหน้ากันที่ย่นมาถึงขั้นมนุษย์เราซึ่งเป็นสถานที่ประกาศศาสนาของพระพุทธเจา้าอย่างเปิดเผยก่อประทานเทวาท แกสัตว์โลกทั่วๆไปในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นมีห้าอย่างแต่เราจะไม่ยกเป็นบาลีขึ้นมาจะอธิบายเป็นเนื้อความไปเลยว่าตอนบ่ายสามสี่โมงเย็นประธานพระวาาแก่ประชาชนนับแต่พระประชามหากษัตริย์ เศษีกระดุมพีทั้งพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาดทั่วไปให้รับผลประโยชน์นอกจากนั้นยังจะมีผู้ทูนถามปัญหาข้อข้องใจในแง่ต่างๆกับพระพุทธเจ้าอีกด้วยทั้งทรงสั่งสอนเป็นส่วนรวมเพื่อให้รับประโยชน์โดยทั่วกันทั้งแยกแยะตอบปัญหาให้เป็นที่เข้าใจ แกผู้ถามและได้รับประโยชน์จากผู้ฟังปัญหานั้นโดยทั่วกันอีกด้วยแต่ละครั้งละครั้งจะพึงเป็นอย่างนั้นเสมอไปและในแง่แห่งธรรมที่ประธานแกพุทธบริษัทเป็นพวกคารวาสญาติอยู่จะมีจำนวนมากมายขนาดไหนในวันหนึ่งนะ ตอนมืดเข้าไปก็ประธานพระอาวาาแจ่ภิกสุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มุ่งมาแล้วเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างยิ่งความมุ่งมั่นของนักบวชเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงอัดถึงทรแทแท้พระอาวาาของพระพุทธเจ้าที่จะประทานแจก พระสงฆ์เหล่านั้นจะเหมือนคณะการประทานแก่ญาติโยมได้อย่างไรจึงต้องประทานให้เหมาะสมกับเจตนากับความมุ่งมั่นกับคารประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งมีจํานวนมากมารับพระโอวาสจากพระองค์ในขณะนั้นมีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนธรรมดามีทั้งพระสงฆ์ที่ มีภูมิอัดภูมิธรรมภูมิสมาธิเป็ น, นำลำดับลำนามีทั้งประสงค์ที่เป็นภ ร, ริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาสกิทธาคาออนาเขตรอาค า, ข, าขึ้นไปจนกระทั่งพระหันท่านก็มีความยินดีเอิบอหิมในการได้ยินได้ฟังเพราะปรลาดทั้งหลายไม่อิ่มท้อการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต้องให้ละเอียดแยบคายและทั่วถึงในบรรดา ภูมิอุปนิสัยและขั้นแห่งธรรมของท่านผู้มาทิกษาอบรมและได้ยินได้ฟังในขณะนั้นนี้เท้าวาดเหล่านี้ต้องลึกซึ้งต้องเหมาะสมกับผู้มาฟังกับบริษัทคือภิกษุบริษัท นี่พอนับแต่เที่ยงคืนนี่ท่านก็พูดไว้พอประมาณว่าเที่ยงคืนเพราะส่วนมากพวกเทพจะมาในเวลาสงัดนับมาในเวลาเที่ยงคืนไปแล้วแต่จะมาก่อนมาหลังนั้นมีจำนวนไม่น้อยท่านหากคาดเอาไว้ว่าเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นส่วนมากของเทพทั้งหลายที่มาและเทพที่มาเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นพวกหนึ่งพวกเดียวและไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวของพวกเทพด้วยที่มาฟังพระโอาวาทของพระพุทธเจา้าแต่ละครั้งละครั้งทายเทกันมาการประทานโอาวาทแกเทวดาทั้งหลายนั้นก็ต้องให้เหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่เป็นภูมิละเอียดของกายที่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 มเมื่อสรุปความแล้วทีนี้พอแก้ปัญหาแล้วอตอนปัดฉิมมาอยาประส่งเร็งยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมีปณิสัยสามารถบรรลุอัด ร, รมคือมีความเบาบางภายใน จ, ใจิตใจสามารถที่จะบรรลุอัด ร, รมได้อย่างรวดเร็วและ จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้รับผลอันเป็นที่พึงใจนั้นเวลาเช้าเสด็จออกบินสะบาทพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนอื่นนี่การทรงเริงยานดูสัตวโลกนี้ใครสามารถในโลกนี้จะสามารถเริงยานดูอุปนิสัยดูพบดูชาดู ความหนักความเบาแห่งกรรมของสัตว์โลกจนกระทั่งถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงหลุดพ้นจากโลกวัตจักรวัตบุญนี้ไปได้มีใครในสามโลกกระถาดนี้จะทําได้เหมือนพระพุทธเจ้าคําว่าเยีงญานดูสัตจัโลกก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แหละพุทธภาระหรือพุทธภพพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เหมือนกิจไม่ได้เหมือนเหมือนงานของโลกทั่ ว, วไปเป็นกิจเป็นการเป็นงานเป็นภาระที่โลกทําไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงธทำโดยพระองค์เองด้วยความสามารถฉลาดแหลมคมสงความเป็นศาสต า, าของโลกตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบาทโปรดสั ต, ตว์โลก คำว่าโปรดสัต์นั้นเวลาเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าตาก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจก็ยิมแย้มแจ่มใสเพราะเห็นท่านผู้วิเศษวิเศษในพระทัยด้วยแล้วยังวิเศษด้วยพระอากับกิริยาที่เคลื่อนไหวของพระองค์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 เดือนหนึ่งปีหนึ่งมีสัตว์โลกเข้ามาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรที่จะต้องประทานพระโอาวาทให้เหมาะสมกับจดินิสัยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแต่ละรายละรายไปไม่ให้ผิดหวังนั้นมีจำนวนมากเพียงไดถ้าจะมีเพียงแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์เท่านี้ไม่พอกับภูมิแห่งศาสดษาและไม่พอกับ อุปนิสัยของสัตว์โลกซึ่งเป็นเหมือนคนไข่แต่รับประเภทต่อเภทจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสมภูมิของความเป็นศา ส, สดาเลยเพราะฉะ น, นั้นธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกจึงมีจำนวนมากต่อมากอย่าว่าเพียงแปดหมืนสี่พันเท่านี้เลยเป็นล้านล้านในบรรดาอุบายที่สั่งสอนสัโลกจะไม่ซ้ำกันถ้า นิสัยจริตนิสัยของผู้นั้นกิเลสประเภทต่างๆของผู้นั้นไม่ซ้ำกันการประทานโท้าวาดเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นแก้ปัญหาแก่ผู้นั้นหรือแก้กิเลสช่วยผู้นั้นทําผู้นั้นให้เกิดประโยชน์จะไม่มีการซ้ํากันเลยจะซ้ํากันเฉพาะที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าจึงมีจำนวนมากไม่มีอัดมีอัน้นในการแนะนำสั่งสอนจัดโลกหรือแก้ปัญหาโลกแต่ละรลายอะไรให้รับผลประโยชน์จากพระโอ๋นี่หละเรียกว่าภูมิของศ า, าสดราเป็นอย่างนี้ธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงมีจำนวนมากเท่าที่ท่านจดจารึกไว้มาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น ท่านจดไว้เพียงพอประมาณถ้ามากกว่านั้นก็จะเหลือเผือฟัน่นฟั่นเฟือไปหมดแทนที่จะรับประโยชน์จะกลายเป็นการสับสวนวุ่นวายแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดจึงมีไว้สำหรับคว <c oughs> ามจำเป็นและมีไว้สำหรับหลักใหญ่ๆเท่านั้น ส่วนปีกย่อยที่พระองค์ทรงแนะนำสัตว์โลก ท, ทั่วไปนั้นไม่ได้นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันนี้เลยนี่นภูมิของประพุทธจาาที่กล่าวทั้งหมดว่าแปดห0ื่นสี่พันระธรรมขันก็ดีที่มากยิ่งกว่านี้เต็มภูมิของศาสน า, าที่สั่งสอนโลกก็ดี เหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมวลไม่ใช่องค์ของธรรมแท้ที่มีอยู่เฉพาะในท่าไทยของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุ น, นั้นผู้ปฏิบัติจึงคำหนึ่งถึงพระโอวาทอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเฉพาะอย่างยิ่งคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้ถึงใจไม่มีข้อสงสัย นำหลักนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นไห้พึงทราบว่ากิเลตมีเลขมีเหลี่ยมร้อยสันพันคมขนาดไหนจึงสามารถครอบนาสัตว์โลกให้อยู่ใต้อำนาจได้ทั่วทั้งสามโลกฐาไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะนอกเหนือจากอำนาจของกิเลตไม่ครอบนาไปได้ ด้วยเหตุนี้ <c oughs> คำามัชจิมาในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกหรือเครื่องมือเป็นเครื่องป ร, ราบกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดแล้มคมร้อยสันพันในนั้นจึงต้องมีครบี่มีเล่มมีหย่ำเลยร้อยสันพันในไป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 กิเลสทั้งหลายจนราบเรียบภายในพระทัยแล้วจะปราบด้วยความเป็นเถงกรงได้อย่างไรต้องปราบด้วยความฉลาดแหลมขมมากเนื้อกิเลสทุกประเภทจนไม่มีเหลือในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะการปราบปรามมันด้วยพระปรีชาส า, สามารถของพระองค์เอง นี่แหละคำว่ามัชชิมาที่ออกจากศาสดาเป็นเป็นมัชชิมาที่ฉนาดแหลมคมมากต่อกิเลสประเภทต่างๆทันกับกิเลสทุกประเภทไปปราบราบเรียบไปได้ทุกประเภทด้วยอํานาจแห่งมัชชิมาประเภทนั้นๆให้พึงทราบอย่างนี้คําว่ามัชชิมาคือสายกลางคําว่าสายกลางนั้นก็ โลกทั้งหลายจะต้องคิดกันแบบว่าวงไปงงมาเฉยๆไม่ได้คำหนึ่งถึงเรื่องกิเลสมันงงไปงงมาไหมอันใดจะมีความปิ้นปลอนหลอกลวงร้อยสรรพันคมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมา จึงจะเป็นธทรรมแบบเถงกรงไปไม่ได้จะถูกกิเลสจูงจมูกทำทั้งหลายกลายเป็นบ่อยของกิเลสไปหมดทมจะเหนือกิเลสเหนือโลกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำอมัติมาจึงต้องเหนือกิเลสทุกประเภทนี่เครื่องมือคำามัติมาแปลว่าเครื่องคือเครื่องมืออันเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไป กิเลสยังหยาบสแสดงขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเราจะเอาอะไรเข้าไปปราบความอยาบโลนของกิเลสความดื้อด้านของกิเลสทึ่แสดงขึ้นมาในจิตใจของเราโดยแท้อุบายวิธีใดที่จะทันกับกิเลสประเภทดื้อด้านหารสู้ต่อทำแลวเราต้องนำประเภทที่เยี่ยมโหดต่อกิเลสประเภทที่แหลมคมกว่ากิเลส เขาต่อสู้กับพิเลศต่อเพตนั้นๆ้ด้วยเหตุนี้เองการประพฤติปฏิบัติจึงมีความทระห็ดอดทนมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวอยู่เสมอมีความตั้งหน้าตั้งตามีความท้าทานมีความอุตสาห์พยายามมีความคิดไว้พริบ ป, ปัญญาให้ทันกับอาการของจิตซึ่ง พิเรกผักดันออกมาเป็นรวดลายแห่งการต่อสู้กับธรรมแต่ละอาการอาการให้ทันกันไม่เช่นนั้นไม่ทันนี่คือวิธีการที่ถูกต้องแท้กับคํำว่ามัชชิ ม, มาอันเรื่องเครื่องมือที่จะปราบกิเรกนั้นในวงปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติเป็นไปตามอัตตามธรรมตามสวาคาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จะพอฟัดพอเหวี่ยมกันไปตั้งแต่ต้นทางเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นทุนเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในใจิตใจด้วยการปฏิบัติด้วยการต่อสู้กับพิเดกประเภทนั้นๆพอสมควรแล้วจะทราบวิธีการปฏิบัติต่อพิเดกประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปไปโดยลําดับลาดับด้วยเครื่องมือครูบาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเอง เนี่ยการนำมัชชิมามาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเหมาะสมมัชชิมาคือความเหมาะสมกิเลสหยาบมัชชิมาต้องหนักมือกิเลสกลางมัชชิม า, าให้เป็นขนาดเหมาะสมกับการปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือกิเยนละเอียดลงไปมัชชิมา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 ไม่ใช่เป็นแบบเห็นกลงจะทำความภาคเพียรบ้างอุตส่าห์พยายามบ้างมีความทุกข์ความลำบากต่อการประกบอบความเพียรบ้างก็ถูกกิเลสมันหลอกเยว่านี่มันจะเคร่งเกินไปทำพอดีคำว่าพอดีนั้นคือมัจจิมาของกิเลสเราหาได้ทราบไหม มัจฉิมาของกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งมัจฉิมาของธรรมเพราะฉะนั้นคําว่ามัจฉิมาของธรรมอันแท้จริงที่จะปราบกิเลสนั้นจึงก้าวไม่ออกเพราะถูกมัจฉิมาของกิเลสกล่อมไปเสียหมดการนั่งภาวนาช่วการชื่อเวลากี่ชั่วโมงก็ถูกกิเลสมากล่อมเสียว่ามันจะเกินมัชฉิมาไปเข่งเกินไป หนักเกินไปไม่เหมาะไม่ถูกต้องกำหลักมัชชิมาถูกกล่อมไปเสียอย่างนี้เวลาทุกเกิดขึ้นภายในร่างกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเพราะการนั่งมากก็ดีจะทนต่อทุกนี้ไปก็จักเป็นการเข่นเกินไปคำว่าทนต่อทุกนี้คือทนสู้ไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆแบบคนสิ้นทาง ทนสู้ทุกเขเวทนาพิจารณาแยกแยะดูเวทนาคือความทุกข์มีเกิดขึ้นภายในกายเป็นต้นเจ็บตรงไหนมากปวดตรงไหนมากเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บบั้นเอวหรือเจ็บตรงไหนที่เด่น ก, ก, กว่าเพื่อนจิตจ่อเข้าไปตรงนั้นแยกดูให้เห็นความจรงิงทั้งร่างกายส่วนนั้น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 แยกดูเอาหนังเจ็บเหลือเนื้อเจ็บเจ็บเหลือเนื้อเป็นทุกข์เหลือหรือกระดูกเป็นทุกข์ว่าตรงไหนให้จิตจ่อเข้าไปว่าหนังก็ให้เห็นลักษณะของหนังชัดเจนประจักษ์ใจว่าเนื้อเป็นทุกข์ก็ให้ดูเนื้อตรงที่ว่ากำลังเป็นทุกข์นั้นให้ชัดเจนด้วยสติด้วยปัญญาของตนนึอกระดูกเป็นทุกข์ดูกระดูกให้ชัดเจน กระดูกมีรูปลักษณะหรือคือหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีรูปมีลักษณะสีสันวัช น, นะทุกนี้ไม่ใช่รูปไม่มีรูปไม่มีลักษณะไม่มีสีสันวัช น, นะเป็นแต่แสดงความปรากฏของตนขึ้นมาให้เป็นที่ไม่พอใจแกเราเท่านั้นนี่เรียกว่าทุกข์แล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเนื้อแยกแยกเข้ามาสู่ใจ หรือใจนี่หรือเป็นทุกข์อ้าวถ้าว่าใจเป็นทุกข์จริงๆแล้วเวลาทุกข์ดับไปใจจะดับไปด้วยไหมหากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทุกข์ดับไปใจต้องดับไปด้วยเอาถ้ากายเป็นทุกข์เวลาทุกข์นี้ดับไปกายต้องดับไปด้วยเนื้อดับไปด้วยหนังดับไปด้วยเอ็นต้องดับไปด้วยกระดูกต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกข์เพิ่งปรากฏมาในขณะนี้แล้วจะดับไปในขณะต่อไป ทั้งๆที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่ได้ดับไปด้วยเลยเนื้อจิตใจผู้ที่รับรู้ทุกทั้งหลายก็ไม่ดับไปด้วยเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจึงไปสําคัญมันหมายจึงไปเข้าใจว่านี้เป็นเราเป็นของเราว่าหนังเป็นทุกข์ว่าเนื้อเป็นทุกข์ว่าเอ็นก็กระดูกเหล่านี้เป็นทุกข์ว่าใจเป็นทุกข์มันผิดไปเท่าไหร่แรงหนี่งผิดจากหลักความจริงนี่ว่าตรงไหนให้จดจ่อลงที่ตรงนั้นเอาให้เห็นจริงเห็นจัง นี่คือมัชชิมาที่เหมาะสมแต่มัชชิมาของกิเลสนั้นทนไม่ไหวนี่เดี๋ยวจะตายนั้นนี่นั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ทันถึงมาผลิพานจะตายก่อนนะนั่นนั่นคือมัชชิมาของกิเลสมันกล่อมและเชื่อง่ายด้วยผู้ปฏิบัติเพราะเคยถูกกล่อมมาสั้นนานี่ยไม่เคยเห็นโทษของมันไม่เคยเห็นความจำปรอมของกิเลสประเภทต่างๆที่เคยกล่อมมาเป็นเวลานานนั้นเลยเนื่องจากทำ อันเป็นของจริงยังแทกเข้าไม่ถึงใจเมื่อทำได้แทกเข้าถึงใจแล้วให้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้เธอเรื่องร่างกายนี้นะ่ะแลแต่กระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาขี่คลายตีกระจายให้แหลกแปกเป็นความจริงก็ไดกันท้งนั้นไม่มีสินใดนอกเหนือไปจากความจริงนี้เลยมิจเลียตที่มาหลอกลวงแทกแซงอยู่ทุกขุมขนทุกเนื้อทุกหนังทุกเอ็นทุกกระดู ก, ก, ท, ก, กทุกอวัยวะ ก็แตกบ้านแตกเมืองแตกความจำเป็นของผลออกไปหมดยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆนะนั่นหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาที่กล่าวมานี้ไม่ใช่พิจารณาศักด์ว่าลวกๆวกลวกลกไปนะเอาให้เห็นจริงเห็นจังในขณนะนั้นทุกจะหายก็าตามเราจะตายก็าตามไม่สำคัญยิ่งกว่าความต้องการความจริงให้เห็นความจริงระหว่างแห่งทุก คือระหว่างทุกข์กับจิตระหว่างทุกข์กับกายนี่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นคําว่าสัจธรรมเป็นของจริงเช่นทุกครั้งอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสรศิฐนั้นจริงอย่างไรถ้าเราต้องการอยากเห็นทุกเป็นของจริงอันประเสรศิฐเราก็พิจารณาดังที่กลา่าวนี้อย่างไรก็ปิดไม่อยู่ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่ตรงหน้านี้ ไม่สงสัยพระความจริงอันนี้เหมือนกันกับที่ประธานไว้แล้วว่าทุกขรังอเดียสัจจังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างกระจักษ์ายแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนตลอดถึงสัมมูทยก็เหมือนกันมารติโรธธรรมที่กล่าวทั้งสี่นี้นั้นเราอยากเข้าใจว่าอยู่คนละแห่งละหนจะต้องพิจารณาคนละครั้งละข่าว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 ทุกแล้วพิจารณีโรดแล้วที่จะไปพียารณามานั้นผิดทั้งเพท่านเรียงไว้เป็นลำดับลำนาเฉยๆความจริงแท้ไม่เป็นเช่นนั้นมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในศสตจธรรมทั้งสีนี้พอทุกเกิดขึ้นท่านว่าทุกให้กาหนดรู้จะไม่รู้อย่างไรเราไม่ใช่คนตายทุกเกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องรู้คาว่าก็ให้กาหนดรู้นั่นหมายถึงว่า ให้รู้ด้วยสติเพื่อความพิจารณาต่างหาท่านจึงว่าพึงกําหนดรู้ทุกโกรดขึ้นนี่ทุกเกิดขึ้นแล้วนะนะนั่น ะ, ะมีสติแล้วตั้งท่าลงไปพิจารณาถึงเรื่องทุกทุกนี่เป็นสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นทุกนี่คือเรื่องของมรรคได้แก่สติปัญญาแล้วอะอะไรเป็นผู้สําคัญมากหมายมันเกิดมาจากอะไรแยกเยอะ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 ความต้องการมั่นหมายที่เคยยืดเคยเหนี่ยวนั้นที่เรียกว่าเป็นสมุทยัยมันก็ดับลงไปในขณะ น, นั้นดับลงไปในขณะ น, นั้นนิโรธความดับทุกคือความขวนขวายภายในจิตใจมันก็ระงับดับไปโดยลําดับดับทําหน้าที่ไปตามไปตามมาไม่ใช่นิโรธทําหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของมรรคต่างหากทําหน้าที่เมื่อทําหน้าที่เข้าใจยีเลศหรือตัด กิเลสไปขาดมากน้อยเพียงไหนความดับทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสก็สแสดงขึ้นมาโดยลำดับลำดันี่เรียกว่ามัชชิ ม, มาเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติยากรวตายให้กลัวจะไม่เห็นความจริงมีมากกว่า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 แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเทียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตใจไม่โกรธกวาดเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในร่างกายดับไปจะดับหรือไม่ดับข้อตามมันก็คือของจริงนั่นแหละการประพปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้มีที่กล่าวมานันกล่าวถึงเรื่องมัชิ ม, มาปฏิปฏัสถึงคราวที่จะทุ่มกันลง ให้หนักมือให้ถึงเป็นถึงตายเพื่อเอาความวิเศ ษ, ษี่โส ข, ขึ้นมาจากสัตย ธ, ธรรมทั้งสีนี้ก็ต้องทุ่มกันลงไปถึงคราวที่จะลดย่อนผ่อนผันมันหากเป็นไปเองภายในตัวของเราไม่มีใครบอกก็รู้เองถึงขั้นจะผ่อนสั้นผ่อนยาวก็รู้ถึงขั้นจะทุ่มกันอย่างหักโหมก็รู้ภายในตัวเองแต่จะ ปฏิบัติไปอย่างรุ่มๆุ่มด อ, ดอนดอนอย่างสะดวกสบายเฉยเฉยเมื่อยๆมือยไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล้าวมามัชชิมาก็มัชชิมาของกิเลสอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราผูกมัดหัวใจเราไม่ใช่มัชชิมาที่แก้หัวใจเราผิดกันอย่างนี้ให้เข้าใจผู้ปฏิบัติเบื้องต้นได้กล่าวถึงหนึ่งทาแท้ ทำแท้จะเกิดขึ้นที่ใจใจเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่จะรับทราบทำทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ผู้รับทราบเป็นแต่ทางเดินของจิตเป็นเครื่องมือของจิตที่จะขวนขวายหาอัตธรรมทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายเดินออกสู่รูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสจิตเป็นผู้ตามรับทราบในสิ่งต่างๆที่เขามาสัมผัสสัมผัสนี่จึงว่าเป็นเครื่องมือถ้าเราเดินออกด้วยมัดเป็นเครื่องมือถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผักกันออกไปนั้นเป็นเครื่องมือของสมูทายของกิเลสล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเจือ ป, ปนเลย การปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยอุบายวิธีการอี่นีในตำหนักตำลาหรือครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วนั่นแหละเป็นความไม่ลู ก, ลกคๆคาครําเป็นการถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้อวาตสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลการแนะนำสั่งสอนนั้นจะไม่ผิดไม่พลาดเพราะอสอนตามหลักความจริงที่ได้ดเนินมาแล้ว เปนที <departed. |mt|>. ่แน mm ่ใจสำหรับผู้ฟังทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อปฏิบัติไม่ต้องทำให้เสียเวลาเสียประโยชน์มีความทุกข์ยากลาบากเปล่าๆโดยอุบโดยโดยการรูปคําคําจดจ่อลงตรงไหนฟาดพันลงตรงไหนเป็นความจริงทั้งนั้นเพราะถูกต้องตามอวาธที่ท่านพาดํำเนินมาแล้วนี่วิธีการ เหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดหลนกระทั่งผลได้ปรากฏขึ้นมามากน้อยจะทราบที่ใจทราบที่ใจใจเป็นผู้รับภาพใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งของธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดทั่วทั้งโลกกระธาดนี้จะสัมผัสสัมพันธ์รับภาพธรรมและเป็นที่สถิตยอยู่แห่งธรรมเป็นภาชนะแห่งธรรมได้เหมือนใจ เพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่เต็มโลกเต็มท้องสารก็ตามจึงไม่มีความหมายสำหรับใจที่ไม่สนใจกับธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับหม้อที่ควาปาปากไว้แยวน้ำในบึงในบ่อในมหาสมุทรทะเลมาเทลงก็ไม่มีควาว่าขังอยู่เทลงเทไรก็ไหลทิ้งไปหมดมีจิตใจที่ควาาไม่ยอมรับธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น จึงเป็นใจใส่ละก ร, รและเกิมไปไม่ใช่ใจคนไม่ใช่ใจผู้ปฏิบัติใจผู้ปฏิบัติมีความจดจ่อต่ออาจต่อธรรมและธรรมจะเกิดขึ้นสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจโดยล ำ, ล ำ, ล ำ, ลำนานับลาดานจนกระทั่งก ร, รายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาที่ใจ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 เป็นผู้บริสุทธิ์ยิมุดดูดพ้นก็คือใจตรงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีคำว่าดูดพ้นหรือติดอยู่มีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ติดและเป็นผู้จะดูดพ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมจึงปฏิบัติเพื่อใจดวงนี้ให้เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าประทานไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมที่ใจมาด้เห็นที่ไหน เห็นธรรมมากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าเริ่มเห็นตถาคตข้าไปโดยลำดับเห็นธรรมเต็มดวงถึงความไม่สุดเต็มพุงชื่อว่าเห็นตถาคตเต็มอกไม่นอกเนือไปจากนี้เลยฉันขอทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังของวิเศษวิสโสอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นที่ใดไม่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้าลมไฟไม่ อยู่ที่ทวีปนั้นทวีปนี้ไม่อยู่ที่โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่ใจเป็นแต่เพียงว่าถุเคลเลสตัวจอมปลอมมันครอบหัวใจไว้มีอํานาจครอบหัวใจไมใ่ใจกับทำรรเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันได้พอจะเป็นเครื่องสืบต่อให้มีแ ก, กจ่จิตแก่ใจแก่ใ จ, จขายายอํานาจแห่งธรรมภายในจิตใจของตนออก ให้รู้แจ้งเห็นชัดทั้งโทษคือกิเลสตัวครอบงำทั้ทงคุณคือธรรมที่รู้ที่เห็นได้แั้วนั้นเพราะาจกิเลสมันครอบเมื่อได้เปิดกิเลสออกด้วยข้าปฏิบัติดัดงสวขคาตธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วนี้เราจะไม่สงสัยความรู้ควาำวิเศษวิโสความพอดิบพอดีความพอแล้วความอยู่เป็นสันติสุข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 หรือรับทราบธรรมและให้เป็นที่สถิตของธรรมนั้นมันไม่ยอมรับเท่านั้นธรรมจึงเป็นเหมือนไม่มีแม้จะมีอยู่เพียงใดก็เป็นเหมือนไม่มีผู้จะมีธรรมในใจต้องเป็นผู้สนใจนะธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมจะเข้าสู่จิตใจเพราะจิตใจเป็นผู้เอื้อมจิตใจเป็นผู้ยึดจิตใจเป็นผู้ถือจิตใจเป็นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นผู้จดจ่อจิตใจเป็นผู้ดู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 กิเลสเป็นตัวที่เนี้ยวแน่เหนียวแน่นมั่นคงมากเป็นตัวที่ฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเกินกิเลสและคําว่ากิเลสกิเลสก็ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดตั้งรากตั้งฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนี้เช่นเดียวกันการสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นสัมผัสสัมพันธ์เพื่อกิเลส ลงจิตได้เป็นกิเลสมีและกิเลสมีอำนาจแล้วจ ะ, ะตาหูจมูกลิ้นกายของราใจของเราจะสัมผัสสัมพัสอะไรเป็นไปเพื่อกิเลสทั้งหมดเข้ามารวมเต็มอยู่ในหัวใจใจจึงต้องมืดมิดปิดตัวเองหาทางออกไม่ได้นอกจากหมุนไปตามกิเลสที่พาให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ สุขมันก็พอมันทุบเลี้ยงไว้เท่านั้นเองแหละพอไม่ให้ตายส่วนทุกนั้นบีบคั้นข้าไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกว่าเริ่มที่จะทำลายรวงทาลายรวงลังของชิเลที่มันครอบอยู่ในหัวใจอย่างมุกนิปิดตานี่ให้ออกไปโดยลำดับลำดับลาดับตั้งแต่เริ่มสมาธ์ ออกทางด้านปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาเป็นสำคัญถึงการที่จะใช้ปัญญาให้ใช้แล้วอย่าอยู่เฉยๆมีความสงมบสบายแล้วอยู่เสียนั่นก็คือความนอนจับก็ไม่พ้นจากความถูกพิเ ด, ดกรอมนี่แหละเพราะคนเราหาความสบายพอสบายที่ตรงไหนจะอยู่นั่นเสียไม่อยากจะข้าวความสบายไม่มีเพียงแค่สมาธิเท่านั้น ยังจะมีละเอียดละออยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นตัวประการทั้งปวงนั่นแหละคือความสบายยอดเยี่ยมได้แก่ปรมังสุขขังด้วยเหตุนี้ปัญญาเมื่อถึงขั้นถึงเวลาที่พิจรารณาให้พิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันดูทั้งภายนอกภายในไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังนาตา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 นจนกระทั่งถอดถอนได้หมดโดยสิ้นเชิงนี่ขอสรุปความเอาเลยเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาได้มีความเฉลียวฉล า, าดรอบทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเข้ามาถึงภายในจิตรอบโดยตลอดตวจถึงแล้วนั่นละที่นี่นัชปัญญาสมาอาภา ความสว่างไหนจะเสมอด้วยปัญญามีหรือในโลกนี้ไม่มีนี่ละเรีมันละเอียดขนาดไหนปัญญาสอดแทรกรู้เห็นหมดวาดฟันหันแหลกแตกกระจายไปหมดนี่แหละปัญญาจริงเป็นของสำคัญมากให้ใช้เวลาที่ควรใช้ยาอยู่ด้วยความสงบเฉยเวลาสงบก็ให้สงบเสียว่า ขอจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิณิิจารณ์นี่จะเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสม่สำเสมอไม่หนักไม่เบาในทางหนึ่งทางใดจนถึงคาว่าติดสงบก็ติดความสงบเสียพิจารณาปัญญาถึงขั้นเพลินเพลินจริงๆนี่ก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วจริงไม่ซ้ำอีกเพราะเวลาก็พอสมควรทั้งเหนื่อยทั้งลำบาบ ใน่านในขันเนี่ยยิ่งให้พาลันพิเจน์มาชาติเป็นสําผัญขอให้ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานประจําตนอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่หนักน่วงทรวงจิตใจลําบากลําบนเพราะการถอดถอนกิเลสกิเลสกดท่วงหัวใจเรามานานแล้วเราลําบากแค่ไหนไม่ได้อิจฉาลอาใจต่อมันบ้างเหรอเวลาจะมาใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอุสา บึกบืนต่อสู้กับกิเลสทําไมจะเห็นความความทุกข์เพียงเท่านี้ว่าเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงถึงกับกั้นทางตัวเองให้ก้าวไม่ออกนี่ก็แค่กิเลสอีกไม่มีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสให้ได้ชัยชนะไปได้เลยจิ่งจําทําเหล่านี้ไว้ให้ดีเพื่อเป็นพิธีมงคลประดับตนเองให้เห็นความพ้นทุกข์ให้เห็นความวิเศษคําว่าวิเศษวิโสพระพุรธเาวิเศษที่ไหนให้ดูใจให้ปฏิบัติต่อใจให้ดี ท่าสาวกอราหาันท่านวิเศษอย่างไรคำว่าพุทธทังธรรมังสังขังสังนงังคาฉามิกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นกลายที่ตรงไหนให้เห็นไปจากใจของเราแล้วจะหายสงสัยคำว่าพุทธธรรมสองรวมองค์ลงมาสู่ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่สงสัยจินขอุติเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้อ